นั่นมันเป็นเสียงโวกโวกแห่พระที่ล่วงหน้าเข้ามากนของอเมริกันทั้งสองทั้งสองก็วิ่งอหอบห้เข้ามาถึงตำแหน่งที่ทุกคนรอคอยอยู่ก่อนแล้วด้วยความรู้สึกอันไม่อาจบรรยายด้องหน้าของคณะนะยาทุ่งแซงลุกลามติดไฟเป็นทะเลเพลิงไปหมดแล้ว ในเนื้อที่อาณาบริเวณอันกว้างและลามติดต่อกันไปอย่างแทบจะหาขอบเขตสิ้นสุดม่ได้ทุกทิ่รวมทั้งไล่เนื้อที่กินแดนเข้ามายังตำแหน่งที่ทุกคนถอยมาตั้งหลักใหม่อยู่ในขณะนี้ด้วยซึ่งแน่ถ้ายังขืนยืนกันอยู่ตรงนี้ต่อไปอีกแค่ไม่กี่นาทีก็ถึงตัวแน่ ความร้อนจากไอไฟน่าสะพึงกลัวมากและเหนือเปลวไฟอันกว้างใหญ่นั้นคือหมาะควันเต็มไปหมดทายุเริ่มพัดแรงขึ้นทุกขันไม้มยืนต้นตายซากที่เคยเห็นยืนอยู่ในระยะห่างห่างกันแบบนี้ไฟลามเลียไปิดไม้โชนหมดแล้วคงมีก็แต่ายนายจ้างเท่านั้น ที่ยืนในอาการที่ยังตัดสินใจที่จะทำอย่างไรต่อไปไม่ถูกส่วนพลันพื้นเมืองสี่คนและพวกยู่ขาดลงนั่งยองๆกับพื้นทุกสายตามองจ้องไปยังทะเลเพลิงอันเห็นโชดช่วงอยู่เรื่องนั้นหาเขาไม่พบหรือว่าพบเสิบเขาถูกไฟเผาอยู่ในนั้นเชิดบุษผดเสียนตะโกนถามคิดและสแตนลีย์ สรงลางบินพูดไม่พ อ, อน้าเียหนสุสตลียังพอมีสติสัมปชัญญะอยู่บ้างกัดยิงฝีปากพร้อมกับสั่งุกเราก็ต้องหามเขาออกมาแล้วแต่นี่เราไม่ได้วี่เววร่องรอยอะไรเลยเราบุกลึกเข้าไปในแนวกองไฟร่วม50เมตร ดูจนทั่วบริเวณที่เราคิดว่าเขาควรจะติดอยู่แถวแถวนั้นแต่เราไม่พบอะไรเลยนอกจากไฟไฟไฟรอบด้านไปหมดพร้อมทั้งตุ่มควันขนาดอยู่ในชุดป้องกันไฟเราก็แทบจะทนความร้อนไม่ไหวและหมดหนทางที่จะทนต่อไปได้เมื่อเคมีดับไฟของเราฉีดจนหมด ลูกหากเราหรือลูกหากทั้งหลายในถามกันดูสิใครเป็นคนเห็นเขาเป็นคนสุดท้ายคที่น่าร้องถามมาเหมือนจะเป็นการประกาศไปยังทุกๆคนก็เห็นกันอยู่ในหมู่พวกเราอะว่าขณะที่ไฟมันเริ่มตีวงล้อมเข้ามาแล้วพิงอยู่หลังพวกเราทั้งหมดร้องสั่งให้พวกเราวิ่งตากหน้าพวกลูกหักออกมากนโดยไม่หวงพวงถึงอะไรทั้งสิน้น ให้ต่างคนต่างเอาตัวรอดออกมาตอนเชิดมุกจะล่ำละลักการพูดจาโต้อตอบของคณะเร็วหรือลงเลงแทบจะจับสับไม่ได้เดี๋ยวนายทหารหนุ่มก็ไล่เบียยไปทางบุญคำกระจันบุญคำเห็นคุณพาินตอนไหนตับทางเข้าบุญคำสมุนขวาของสุภาพบุรุษใครเอามือลูกหัวอันคอดหยิกไปด้วยเส้นผมสั้นๆของแก คำหน้าไม่จะร้องทคําำก็เห็ น, นทุกอย่างที่พวกเจ้านายเห็นนั่นแหละนายตะโกนไล่เราอยู่ข้างหลังบุญคําชักช้าอยู่ยังถูกแกกระทุ้งด้วยส้นปืนให้ออกเล่นแนกมาพร้อมกับจันทตามหลังพวกเจ้านายออกมาแล้วไฟมันก็ล้อมจนได้สําลักควันแดดตายถ้านายห้างใหญ่กับ น, นายห้างคิดไม่บุกเข้าไปช่วยตะ ก, กี้ทั้งบุญคำไล่จันท์ะ สุกอยู่ในไฟนรกแล้วถึงไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันกาลังจะตายร้อนกันอยู่ในทั้งหมดถ้านายห้างไม่เข้าไปช่วยประโยชน์แค่ชี้มือไปยังบรรดาลูกข่างข้งหลังทุกคนของฝ่ายนายจ้างต่างตระหนักดีอยู่แล้วว่าในนาทีวิกฤตขี่ชุดที่ผ่านมายกยกนั้นแต่ละคนของฝ่ายตน ตก อ, อยู่ในสภาพเช่นไรบ้างขนาดคริสและเบนที่วิ่งฝากมาได้เป็นคู่แรกเส้นผมก็ยังแทบไม่เกลียมและเกือกจะหมดแรงวิ่งเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากมานควันที่หนาทึบไปหมดสัมมาหอะไรกับพวกลูกหาที่ตามออกมาทีหลังจะไม่ยิ่งแน่แย่หนักลงไปกว่าแล้วมันก็เป็นความจริงในข้อที่ว่า ถ้าสเตลีและคีดไม่หวนกลับเข้าไปช่วยไว้ได้อย่างทันทีอย่างน้อยที่สุดพวกลูกหากทั้งห้าคู่ก็คงจะเป็นอันตรายผิวหนังไหมพองบาดเจ็บสาหัสอย่างแน่นอนแม้จะทุรนทุรายหนีพ้นกองไฟออกมาได้ซักถามไล่เลียงเป็นรายตัวไปในบรรดาลูกหากทุกคนก็ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าครั้งสุดท้ายใครเห็นระพินอยู่ในลักษณะ ที่ใดทุกคนได้ยินแต่เสียงตะโกนร้องเร่งของเขาที่แพลมาจากเบื้องหลังสั่งให้วิ่งหนีออกมาเท่านั้นนั่นก็แปลว่าพระพินไครวันรั้งท้ายทุกคนเพื่อทำหน้าที่ต้อนทั้งหมดให้แล่นออกมาในทิศทางเดียวกันเพราะวกลัวว่าจะมีใครลัดหลงอยู่เบื้องหลังก็เลตัวเขาเองเล่า บัดนี้ไปอยู่เสียที่ไหนท่ามกลางไฟนรกที่กำลังแดงฉานเต็มทูง ก, ก่อนที่ใครจะพูดอะไรออกไปนั่นเองแบนชี้มือไปเบื้องหน้าลุกเอาทั้งหมดพังะ ห, หลังด้วยไอรอนลมหวนพัดมาทางด้านที่ทั้งคณะมาหยุดตั้งหลักกันอยู่ควันทึบกรุงใหญ่ผสมกับเปลวไฟราวกันลิ้นมังกรแหลกปรา พุ่งเข้ามาได้อุณหภูมิสูงของมันทำให้ผิวหนังแสบไปหมดมันกำลังลามไล่เนื้อที่อันทุกคนชุมนุมพูจากระือกระหอบกันอยู่อย่างรวดเร็วราวกับมีวิญญาณร้ายเข้าสิงลุกกินแดนพรวพรววเข้ามาเร็วเหลือเกินเพราะถายลุกชูถอยก่อนเดี๋ยวนี้ถอยขึ้นเนินเข้าหาตีนเขาเร็ว ีตัดสินใจสั่งการในบักนั้นซึ่งก็ถูกต้องแล้วมันต้องถอยกันแน่นอนถ้าไม่ถอยไฟมันก็ไล่กระชั้นชิดไปพันเข้ามาถึงตัวอีกจนได้ทั้งหมดเคลื่อนไววกันอย่างฉุกละหุกอีกครั้งพวกลูกหาเพนพรวดคว้าสัมภาระขึ้นหาบออกวิ่งอ้าวตรงไปยังเนินของตาโปงเหนือบริเวณทุ่งแฝกทันทีโดยการนำของบุญคำและจัน เชิดบุตแล้วายนายจ้างทั้งหมดคอยต้อนอยู่เบื้องหลังคนเหล่านั้นวิ่งพลางเหลียวหน้าเหลี้ยวหลังดูไฟที่ลามไล่เข้ามาพลางไม่มีอะไรที่จะทําได้ดีไปกว่านี้อีกแล้วไม่มีทางเลือดจริงๆเพราะขืนปรึกษาหารือกันอยู่ที่เดิมก็ถูกเผาทั้งเป็นและอีกระหอบทุลักทุเลแทงกความเป็นความตายกันอีกค่ะ แต่ก็ไปด้วยกันทั้งหมู่โดยไม่แตกพวกจนกระทั่งมาถึงทืหลุงโล่งโลกอาณาบริเวณกว้างประมาณร้อยเมตรก่อนจะเข้าสู่เนินเขาอันเป็นป่าแดงมีความหวังอยู่แต่เพียงว่าต่อให้ลมจะพัดนำพาไฟให้ลุกลามมาอย่างไรต่อตามมันคงจะมาสะดุดชะงักสุดสิ้นขอบเขต เอาตรงบริเวณพื้นหินที่ขวางกั้นอยู่และควรจงกัดวงสะกัดกันไว้ได้เนื่องจากไม่มีเชื้อเตะไฟในบริเวณนั้นพอขึ้นถึงเนินป่าแดงบริเวณโขดหินใหญ่ก้อนหนึ่งทั้งหมดก็หยุดลงอีกครั้งเหน็ดเหนื่อยกันแทบขาดใจและสิ้นเรียวแรงไปตามตามกัน สตตนลีสั่งให้เอาผ้า พ, พลาสติกใหญ่ผืนนึงขึ้นมาขึงกัน้นบังแดดอันแรงกล้าอาศัยร่มเงาชั่วคราวก่อนโดยขึงลวกๆในระหว่างก้อนหินสองก้อนทุกคนเข้าไปอาศัยหลบแดดอยู่ใต้เงาร่มนั้นม้นบรรยากาศจะระอุอ้าวด้วยไฟจากทุ่งเบื้องล่างและตะวันเที่ยงอันแผดจ้าเช่นไรแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรบังร่มบ้างเลยณนะที่นี้ พักหายใจและตั้งหลักอีกครั้งซึ่งถาวรและปลอดภัยกว่าที่จะอยู่ยังบริเวณใกล้กระทุ่งแฝกเบื้องล่างปัญหาเรื่องการสูญหายไปในกองเพลิงของมักคุเทศนําทางยังเป็นปัญหาใหญ่อันหนักอึ้งที่สุดของคณะทั้งหมดและดับปัญหาอื่นๆที่เคยมีอยู่ออกไปโดยสิ้นเชิงนอกจากจะพะวงอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นวรพินเป็นตายรายดีประการใดแต่จากการมองลงไปยังทุ่งเพลิงเบื้องล่าง ฝ่ายนายจ้างทุกคนรู้สึกหมดหวังซะและ้วเพียงแต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาโดยตรงเท่านั้นทุกคนพยายามส่องกล้องประจำตัวกวาดหาไปรอบๆในแนวทิศทางทุ่งแฝกเบื้องหน้าซึ่งก็ไม่เห็นอะไรนอกจากกลุ่มควันและไอระยับของความร้อนไม่น่าเลยไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจริงๆ แต่ลีครางออกมาเหมือนจะพูดกับตัวเองเขาคงสำลักควันหมดอากาศหายใจหรือมิฉะนั้นก็หลงทางหาทิศไม่ถูกท่ามกลางวงล้อมขอมใส่คิดกระซิบแหบพร่าแมมสาวทั้งสองยังเงียบกริบอยู่เช่นนั้นเท่าเท่ากับพรานพื้นเมืองและลูกหาบทุกคน ขางเชิด บ, บุตรบัตรนี้แทบบ้าพรคมองว่านายสองคนมีชุดกันไฟอย่างดีมีเครื่องดับเพลิงพร้อมบุกเข้าไปยังไงถึงหาเขาไม่พบแม้แต่ซ่าอยากลองดูด้วยตัวเองไหมบุตคิดชักเดือดหันมากระชากเสียงถามมุ่นหัวไอชุดที่เราใช้กันอยู่นี่นะมันไม่ได้กันไฟโดยตรง มันเพียงแค่ช่วยในผิวหนังไหมพองเร็วเกินไปนักแล้วเครื่องดับเพลิงขนาดจิ๋วนั่นก็เหมือนกันมันใช้ได้ในช่วงจํากัดเท่านั้นพอฉีดหมดมันก็หมดท่าแล้วนายนึกเ่ะว่าถ้าเราสวมชุดนี้แล้วจะเดินเล่นในทะเลเพลิงที่เห็นอยู่ได้นั่นนานๆ น, น, นับเป็นชั่วโมงเพื่อค้นหาผู้กล้าหาญของเราถ้านาคิดอย่างนั้นแล้วก็เอาเลยเรายังเหลือเครื่องดับเพลิงอีกสองท่อ นายชุดนี้ไปใส่แล้วถือเครื่องดับเพลิงเข้าไปบางทีนายอาจจะพบกระดูกของระพินที่ไหม้ไฟยังไม่หมดเข้าบ้างแต่รับรองได้ว่านายจะไม่มีโอกาสโผลกลับมาได้อีกเลยเชิดบุตรก็คนจริงเหมือนกันหรือมิฉะนั้นเขาก็คลุ้มเคราะหไปซะแล้วผลักโ อ, อกคิดเซไปแล้วโดดเข้ามาที่ชุดป้องกันกำมันตภาพรังสี ที่สองคนถอดอกอกจากตัวกองไว้ขยับจะสวมใส่เข้ากับร่างกายขณะนั้นเองดออรสตาลีผู้อยู่ใกล้ชิดที่สุดก็ทลันเข้าประชิดชกมัดขวาช่วงสั้นโครมเข้าไปที่กระโดงคางนายพันตรีกลางกองทัพ บ, บกไทยผงะง่ายพลึงเพราะโดนเข้าจุดยุดทธศาสตร์สำคัญล้มลงไปกับพื้นเบนขวารับต้นคอไว้ได้ ก่อนที่ศรีรษรจะกระแทกพื้นบาดเจ็บมากไปกว่านั้นแล้วประคองไว้เชิดพุทสบัติหน้าอยู่เร่าเราแต่ยังลุกขึ้นไม่ไหวอเมริกันผู้ไม่เคยปรากฏว่าจะกระทำการใดๆรุนแรงหรือว่ามีฝีมืออะไรในด้านนี้เลยก้าวเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเสียใจลูกชาย ที่ผมจะต้องทำอย่างนี้สเตลีพูดช้าๆหนักแน่นมั่นคงในน้ำเสียงเป็นภาษาของตนซึ่งแปลออกมาได้ความว่าเช่นนั้นทำไมว่าพวกเราจะเคราะร้ายจริงๆโดยการต้องเสียพลันํำทางชั้นเยี่ยมของเราไปในครั้งนี้แต่เราก็จะไม่ยอมเสียพวกเราคนใดคนหนึ่งไปในกองไฟนั้นอีกแล้ว เพราะการขาดสติและขาดเหตุผลจงใช้สมองอย่าใช้อารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะการเช่นนี้ปฏิบัติการของสแตนลีย์รุนแรงเฉียบขาดแต่แววตาและคำพูดของเขาเต็มไปด้วยความการุณาและเปี่ยมไปด้วยเหตุผลเชิดบุญจ้องหน้าครั้งแรก เขาคิดว่าจะต้องเพนขึ้นมากระทึบอเมริกันสูงไหวหัวหน้าคณะนี่ให้แลกคาเท้าด้วยโทษาที่ถูกต่อยทีเดียวร่วงซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าสแตนสปารลีนซ่อนคมซ่อนลวดลายของนักสู้ชั้นดีอย่างสนิทแนบเนียนมานานแล้วเพิ่งจะมาเปิดเผยให้เห็นชัดเอาขนาด ท, ที่ต่อยเขาโครมเดียวร่วงชนิดนับสิบเอาเดียวนี้เอง แ, แล้วก็ต้องจำนนต่อเหตุผลข้างเบนและคริสติน่าก็เข้ามาช่วยกันจับตัวเขาไว้แน่นพูดปลอบโยนต่างๆนานาบุรเชื่ อ, อาจานเถอะคุณจะเข้าไปถูกย่างอยู่ในทะเลเพลิงนั่นใช่เปล่าเปล่าทุกคนห่วงระพินไม่น้อยไปกว่าคุณทั้งนั้นแหละแต่เราก็ช่วยอะไรก็ไม่ได้เลยในขณะนี้ ไม่มีทางจริงๆอาจารย์ทำถูกแล้วที่สกัดกั้นคุณไว้เชิดปุ้ดกั้มกลืนอะไรชนิดหนึ่งลงคอแล้วค่อยๆพัมงตัวขึ้นนั่นแม่ผมแดงและแม่ผมทองยังคงประคองเขาอยู่เช่นนั้นเอาละแล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปเขาเอ่ยขึ้นเสียงแหก นั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องหารือกันตรงนี้ที่นี่แหละช่วยกันค่อยๆ ค, คิดยังไม่ต้องเคลื่อ ย, ย้ายไปไหนก่อนทั้งสิน้นทุกคนรู้ตัวดีว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กในการที่รัพยินหายไปในกองไฟเช่นนี้ก่อนอื่นเราทั้งหมดควรจะมาสำรวมสตมิปรับระดับจิตใจให้เป็นปกติกันก่อนนะสตลีตอบ แผ่วขลนพร้อมกับซุดตัลงนั่งข้างๆเชิดบุตรพยักหน้าให้คิดเข้ามานั่งร่วมวงใ ก, กล้ๆรวมกลุ่มกันอยู่ด้วยคิดเอื้อมือไปตบไหล่เชิดบุตรพูดเสียงแผ่วเบาว่านี่บุตรถ้าฉันพูดอะไรที่ทําให้นายเกิดบ้าขึ้นมาก็ขอโทษด้วยนะเพื่อนยากฉันไม่ตั้งใจเลยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างที่บ๊อบพูด นายถึงนเข้าไปตอนนี้แล้วก็ต้องเสียไปอีกคนนายดูสี่คนนั่นดิคิดบุ้ยปากไปทางบุญคำจันเกิดและเสยซึ่งนั่งจ้องสงบกันอยู่ทั้งสี่คนน่ะเขาล้วนเป็นคนสนิทของระพินจะต้องรักและเป็นห่วงเจ้านายของเขามากกว่าพวกเราซะอีกถ้าจะพูดกันตามจริงแต่เห็นไหม ทั้งสี่คนก็ยังไม่เห็นมีใครเต้นเราเราเหมือนจะบ้าตายเหมือนนายสักคนทำไมเราไม่ลองหันไปถามความเห็นของพวกเขาบ้างแล้วมองเห็นภาพเหตุการณ์แล้วเราก็ลงความเห็นกันเองโดยเชื่อกันว่าจะยังไงซะรพินก็จะต้องอยู่กลางทะเลเพลิงที่เห็นอยู่นี่ถามพวกเขาสิว่าพวกเขามีความคิดยางเอาอย่างเราหรือเปล่า นี่ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่นายคีพูดอย่างมีหลักเกณฑ์ที่น่าฟังที่สุดนอกเหนือไปจากความเ อ, อ็อะผงผางเชดบุตรอึสตาลีหันไปทางบุญคันและบรรดาลูกศิษย์ของรพินทันทีทั้งสี่คนยังนั่งนิ่งเหมือนตอหินมือมองออกไปยังทะเลเพลิงเบื้องล่างเป็นตาเดียวกันเหมือนแต่ละคนจะตกอยู่ในห่วงพวัน ข้าวหน้าของพวกนี้ดูยากที่สุดว่าจะมีความรู้สึกเช่นไรนอกจากจะสังเกตเห็นอาการเื้องซึมเงื่องหงอยเท่านั้นบุญคคำหัวหน้าคณะเรียกเสียงหนักหนักสมุนขวาของรพินหันหน้ามาดวงตาของแกแห้งขาดพอๆกับก้อนหินและพื้นดินแวดล้อมรอบด้านในขณะนี้ ลับบุญคำกับพวกคิดยังไงก็คิดว่านายไม่น่าจะสั่งให้พวกเราจึดไฟขึ้นเลยมันถึงลุกลามใหญ่โตแล้วก็ลุกเร็วจนหนีกันไม่ทันแกตอบเสียงเหืดเหืดคำถามของฉันไม่ได้หมายความที่จะให้คำ ของบุญคำเป็นอย่างนั้นแต่อยากจะให้บุญคำแสดงความคิดเห็นว่าป่านนี้เรายังไม่เห็นวี่แวรร่องรอยของผานใหญ่ว่าเขาจะโผล่มาเลยเขาควรจะอยู่ที่ไหนเขาจะโผล่มาอีกไหมบุญคำด้ยสีหน้าซึมกระถือเป็นไม้ตีพริกหมดแวร่าเริงตลกขนองผิดไปกว่าทุกครั้ง บุญคำตอบเสียงเบาไม่เต็มปากว่านายรับพินน่ะเป็นคนตายยา ก, กจริงแต่ถ้าถึงคราวหมดเวรหมดกรรมแกก็ตายได้ไง่ายเหมือนกันนีแ่แปลว่าบุญคำและพวกของบุญคำทุกคนคิดว่ารับพินตายแล้วยังนั้นน่ะ สเตลีทาหน้าที่พูดกระบุญคําเพียงคนเดียวในระหว่างที่ฝ่ายนายจ้างอื่นๆทุกคนเงียบสะดับฟังอย่างเดียวรวมทั้งจ้องสังเกตไปที่ตาพรานเท่าเป็นจึดเดียวถ้าอีกพักใหญ่ๆนายรพินยังไม่โผล่ออกมาให้เห็น แปลว่าไม่มีตัวของนายรับพินอีกแล้วจะมีชื่อจะมีก็แต่ชื่อเท่านั้นนี่บุญคำก็กำลังรอคอยอยู่คอยว่านายของบุญคำจะหาะออกมาจากทางไหนพักใหญ่ๆที่บุญคำพูดว่าเรากำลังรอนี่นะ่ะ มันควรจะนานสักขนาดไหนบุรคษคำสมุนขวาของระพินหันไปมองดูจันเกิดแล้วก็เสย อ, อันเป็นทีมงานร่วมตายมาทุกยุคทุกสมัยรออีกสักชั่วโมงเถอะในห้างผู้ตอบคราวนี้คือจัน ไฟกลางทุ่งที่ติดแฝกนั้นมันร้อนก็จริงแต่ก็ติดไม่นานหรอกสักพักก็คงโซมลงเพราะแฝกมันติดไฟเร็วแล้วก็มอดดับเร็วตอนนี้พวกของจังก็เดาไม่ถูกเหมือนกันว่านายไปอยู่ที่ไหนไม่เป็นตอตะโกไปแล้วหรือยังแต่านายก็สั่งเสียพี่คาไว้ล่วงหน้าแล้วสั่งเสียเหรอหมายความว่าไง คริสตินาร้องแหลมถามมาทันทีจันนิ่งเมื่อถูกเบรกรายต่อใครรุมถามอย่างคาดคั้นมาอีกบุญคำก็ถอนใจยาวนายแ็่สั่งบุญคำไว้ว่าเราวางทางถ้าแกพลาดพลัง้งล้มตายซะก่อนให้บุญคำฟังคำสั่งจากนายห้าง ถ้าพวกนายห้างจะเดินทางต่อก็ให้บุญคำทำหน้าที่แทนนำไปแต่ถ้าพวกนายห้างเลิกล้มจะกลับก็ให้พากลับเหมือนเหมือนกับที่แกยังมีชีวิตอยู่ไม่ให้ทอดทิ้งพวกนายห้างสกลางทางคำพูดเบาๆในเนืยของบุญคำ ทำให้นายจ้าฝ่ายอเมริกันทุกคนนิ่งคอแข็งกันไปหมดราพินไพยวันจะมีชีวิตรอดหรือไม่นั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่สิ่งที่เขากำชับสั่งคนของเขาไว้และมาได้ยิงจากปากคำของลูกน้องเขาเองเอาบัตรนี้สิมันทำให้อเมริกันทุกคนรวมทั้งเชิดบุตรพูดอะไรไม่ออกมันเต็มตื้นไปหมด ด้วยการคารวะในน้ำใจของคนคนนั้นในกลุ่มไม่มีใครทันสังเกตเห็นเพราะมัวแต่งงงงันกันอยู่คริสติน่าเบือนหน้าไปทางอื่นหลบจากสายตาทุกคนไอแดดเท่านั้นที่จะเห็นน้ำตาของหล่อนคลอบดึงฝีปากแน่นสะกดเสียงสะอืด ไม่ให้ผ่านลำคอออกมาหัวใจของหล่อนว่าหบิ๋วหรือติดขั่วห ย, ยุนนิดเดียวเท่านั้นเบลสิหลอนมีแต่ความตกใจหวาหวันต่อเหตุการณ์เท่านั้นแต่ไม่มีน้ำตาสำหรับแม่ผมแดงเขาไม่มีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่ในหัวใจ เอาละถ้างั้นพวกเราทั้งหมดจะทำอย่างที่บุญคำว่าปักหลักอยู่ตรงนี้รอรอจนกว่าไฟในทุ่งนั้นจะส้มลงจริงอย่างจันพูดมันคงจะไม่ลุกอยู่นานนักหรอกแฝกมันก็เหมือนเหมือนกับฟางลุกเร็วดับเร็วรอ้อยไฟสงบสักหน่อย เราจะลองพยายามอีกครั้งหัวหน้าคณะตกลงใจพยายามพยายามอะไรข้าจาย์พยายามเข้าไปเก็บกระดูกเขาน่ะเหรอเบนถามเบาๆถ้าเราพบกระดูกเขาเราก็ต้องเก็บแล้วถ้าใครไม่เก็บ ผมเก็บเองเชิดบุตรประกาศขึ้นเสียงเกรียมในลําคอบุตรกรามแน่นเก้าสิบเก้าในบรรดากลุ่มเจ้านายดารินเป็นคนแร ก, กตามเคยที่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่รุ่งเช้าขณะนั้นหมอกยังไม่ทันจางพอจะมองเห็นอะไรได้รางๆเท่านั้น แต่บรรดาพวกลูกหาไม่ลุกขึ้นก่อไฟหงหงหาแล้วหลอนตื่นเพราะกลิ่นควันไฟที่โชยมากระทบจมูกหญิงสาวผุดลุกขึ้นทันทีดวงจิตที่มีกังวลอยู่ตลอดเวลาของหล่อนทำให้ไม่อาจที่จะทวงเวลาหรือนอนพักต่อไปได้ทันทีทันทีที่รู้สึกตัวลืมตาและเห็นว่ารุ่งแล้วสมองและร่างกายก็พร้อมในฉับพลันโดยอัตโนมัติ พี่ชายทั้งสองกับเพื่อนยังหลับสนิทกันอยู่มองไม่เห็นเจ้าด้วนอยู่ในบริเวณแคมป์ที่พักนอนซะละไม่ทราบว่ามันหายไปไหนแต่เห็นหนานอินเดินตรงเข้ามาพร้อมกระรองทักเบาๆว่าอ๋อไหนหญิงตื่นแล้วดารินใช้ฝ่ามือทั้งสองแตะกดที่เปลือกตารู้สึกว่าตัวเองพักผ่อนน้อยแล้วนอนไม่เต็มอิ่มนัก แต่ก็พอแล้วสำหรับภาวะเช่นนี้พอเปิดเปลือกตาขึ้นอีกครั้งหล่อนก็พร้อมที่จ ะ, ะเผชิญวันใหม่ทันทีเรียบร้อยดีใช่ไหมลุงอินไม่มีอะไรนายหญิงเพราะเรานอนกันครั้งหลังสุดแล้วทุกอย่างก็สงบดีไม่มีอะไรเฉียดใกล้เข้ามาอีกอะไรที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืน มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละไม่ขยับขยื่นพร้อมกับบอกครูพรานผู้เฒ่าพยักหน้าไปยังซาตช้างที่ถูกยิงฟุกระเนระนาดอยู่รอบด้านทั่วไปมองดูเหมือนจอมปลวกใหญ่ระเกะระกะไปหมดในเวลารุ่งอรุณเช่นนี้ทำให้มองเห็นชัดว่าเหตุการณ์ร้กาที่ผ่านมาเมื่อกลางดึกของเมื่อคืนหาใช่ความฝันไปไม่ แม้แต่ซากของไอ้ผีดิบ ต, ตัวที่เช่ยตายิงข้อเท้าหักลม้มลงและหล่อนเป็นคนสั่งให้เจ้าด้วนทำลายซะโดยการฉีกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยซากของมันก็ยังกลายเป็นชิ้นส่วนกองอยู่ให้เห็นตรงตำแหน่งเดิมดารินกว่าตามองอย่างพินิษไปรอบๆทบทวนความจำของราตรีสยองขนที่ผ่านมาหล่อนจาได้ทุกเหตุการณ์ โดยไม่ตกหล่นหรือสับสนคนของเราทุกคนอยู่ครบถ้วนแน่นอนนับหรือยังครบทุกคนตื่นหมดแล้วกำลังหวงหาจัดเตรียมตัวอยู่มีไอ้ขยินคนเดียวเท่านั้นพิเศษหน่อยยังนอนคุ้มโป่งอยู่มันทําท่าเหมือนจะเป็นพวกเจ้านายเงั้นแหละ ราชสกุลสาวยิ้มออกมานิดหนึ่งนี่มันก็ยังเช้ามากช้ามังกรทัแล้วก็ในายใหญ่นายชดหรือนายทหารนี่ลุงลุงอินก็อย่าเพิ่งไปปลุกเลยปล่อยเขานอนกันต่อไปอีกสักครึ่งชั่วโมงทุกคนหมดแรงอ่อนเพลียกันทั้งนั้นแหละกล่าวจบดารินก็เดินออกจากที่พักนอนสำรวจไปรอบรอ บ, รอบแคมป์พัก นั้นอินเดินตามออกมาด้วยถามว่าแล้วนายหญิงล่ะฉันไม่เป็นนายหรอกลุงพอลืมตามันก็ทนนอนต่อไม่ไห ว, โวโอ่ะหัวอกหัวใจมันเหมือนมีไฟเข้ามาสุมอยู่ตลอดเวลาครูพรานผู้เฒ่ามองดูหล่อนอย่างเข้าใจและเห็นใจไม่กล่าวเช่นไรอีกนอกจากจะเดินตามหลังหล่อนไปเงียบเงียบ ดารินเดินเยี่ยมตรวจไปยังกลุ่มพวกลูกหานับจํานวนและทักทายไปทั่วทุกคนสอบถามถึงความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่ทุกคนผ่านพบผจนมาร่วมกันทั้งหมดยิ้มรับนายหญิงไม่มีใครสแสดงอาการหวาดวนันพร่านพึงหรือถอยคิดจะปลิดตัวกลับเลยทั้งสิ้นนายหญิงไม่ต้องห่วงพวกเราสาบายพวกเราสาบานกัน ว่าถึงไหนถึงกันเป็นไนเป็นกันในการไปตามนายรพินครั้งนี้นายชวนหัวหน้าลูกหาตอบแทนให้แกบรรดาลูกหาอันเป็นลูกบ้านหนองน้ำแห้งทั้งหลายขอให้ทุกคนจำไว้ด้วยนะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนายหญิงพร้อมที่จะตายก่อนพวกเราทุกคนเสมอ นั้นเสียงของหล่อนเด็ดเดี่ยวมั่นคงและชัดเจนยิ่งแล้วหันมาทางนานอินลุงลุงเห็นเจ้าด้วนไหมมันไปไหนแล้วหนายหญิงอย่าไปห่วงกังวลกัมันอยู่เหมือนคนเลยไอ้ด้วนนะมันช้างปลาบุญบารามีหรืออำนาจอะไรสักอย่างนึงในตัวของนายหญิงแทๆ้ๆที่ทำให้มันรู้ภาษาเข้าใจ แล้วก็จงรักภักดีกับนายหญิงคนเดียวเท่านั้นมันก็คงจะไปหากินหรือท่องเที่ยวไปตามเรื่องของมันแต่คงไม่ไปห่างจากนายหญิงนักหรอกไม่ต้องไปคอยเรียกคอยหามันอยู่ให้เสียเวลาถ้าเราออกเดินทางมันก็คงจะตามไปด้วยอาจจะตามหลังอาจจะเดินไปข้างหน้าอาจจะให้เห็นตัวหรืออาจไม่เห็นตัวก็ได้ทั้งนั้น ขอให้หนายหญิงสบายใจได้นานอินรู้ว่าไอ้ด้วนนะมันไม่ทิ้งนายหญิงหรอกคงตามไปทุกระยะเส้นทางนั่นแหละแต่ที่จะให้เห็นมันมาปุน่นเปลี่ยนอยู่ ใ, ใกล้ๆตลอดเวลาหรือเดินทางไปพร้อมๆกับเราเหมือนช้างเลี้ยงมันคงไม่มีทางหรอกนายหญิงหล่อนเม้มปากพยักหน้าจ้าช้าอย่างเห็นด้วย ฉันก็ลืมไปซะอย่างสนิทนะว่ามันเป็นช้างป่าช้างป่าตัวร้ายซะด้วยสินาย ห, หญิงมันเคยกลัวอะไรที่ไหนถ้าจะกลัวก็กลัวนายราพินคนเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็นายราพินมันก็ไม่เคยยอมเข้าใกล้ผิดกับนายหญิงมากที่มันยอมเชื่องเข้ามาใกล้ชิดยอมสวามีพัก รับใช้อย่างแสน ร, รู้ทุกอย่างเกิดมาในป่าหกสิบกว่าปีเข้ามานี่แล้วนานอินยังไม่เคยพบหินช้างป่าคบกับคนได้อย่างที่นายหญิงคบกับไอ้ด้วนมันเป็นเรื่องแปลกลุงลุงพอคำนวณอายุมันได้ไหมสำหรับเจ้าด้วนของฉันตัวนี้นานอินหัวรอเบาๆในลำคอ กำลังชะกันเต็มที่ทีเดียวแหละนายหญิงไม่แก้แล้วก็ไม่ใช่ลูกช้างนา้นยินกะว่าอยู่ในราวๆยี่สิบยี่ห้าปีเป็นอย่างมากไอ้เจ้านี่กำลังว่องไวคล่องตัวเต็มที่กอนอนหลับไปเมื่อใกล้ใรุ่งฉันก็ยังเห็นมันอยู่ในปางพักตามที่ฉันสั่งไว้นะ พอรุ่งสว่างตื่นขึ้นมาทีหนึ่งหายไปซะลับไม่รู้แอบไปตอนไหนก็คงจะเลี่ยงไปตอนที่พวกเราทุกคนหลับหมดใกล้ๆรงมนันแหละนั้นอินถามไอ้พวกนี้ดูแล้วไม่มีใครรู้สักคนว่าไอ้ด่วนหายไปไหนตอนไหนเพราะก่อนจะหลับก็เห็นมันป่วนเปลี่ยนอยู่ใน้างพัก ตรงปลายเท้าของที่นอนพวกเจ้านายทั้งหลายนั่นแหละ <c oughs> ดารินเดินตรวจบริเวณจนรอบแล้วมาพบขยินนอนขดเอากระสอบป่านสองใบคลุมหัวคลุมตัวอยู่ใกล้ๆซากช้างใหญ่ตัวที่ล้มทับโคลนซอกหินเกือบจะฝังหล่อนทั้งเป็นเมื่อคืนนี้ตอนประจันบาลกัน ปืนลูกสองปั๊มแอคชั่นอาวุธคู่มือที่เคยมอบให้ไว้ตั้งแต่ครั้งกระโ น, น้นวางอยู่ใกล้ๆตัวในลักษณะที่จะหยิบฉวยขึ้นมาใช้งานได้ทันทีนานอินยืนมองแล้วโครงหัวชุบปากจิกจักจิกจักขยับเบี่ยงเท้าป้าเป็นการปลุกไปที่ก้นของมันแต่ดารินเหนียวไหลไวอย่าเพิ่งปลุกมันก่อนเลยปล่อยให้มันนอนเต็มที่เถอะลุง ตามจริงไอ้นี่นะมันนอนไวแต่สันดานขี้เกียจมันคงนึกว่าวันนี้เราคงจะออกเดินทางสายเลยนอนตามสบายปล่อยให้พวกลูกหาดทางานไม่ลุกขึ้นมาช่วยมั่งเลยนายหญิงกับหนานอินมายืนคำหัวมันอยู่นี่นะอย่านึกนะว่ามันจะไม่รู้สึกตัวแต่มันแกล้งทําให้นอนหลับเฉยสันดานรู้มากเอาเปรียบขี้โกงมันมาจงรักทักดีกับพวกของนายหญิงได้จนถึงขนาดมาพบ ที่องน้ำแห้งในวันที่เราจะออกเดินทางก็ น, นับว่าเป็นเรื่องแปลกมากพราพ่อกับไอด้ดวนนั่นแหละดารินหัวเราะเบาๆมองดูขยินผู้ยังนอนคุดคูกรนครอกด้วยสายตาเอ็นดูรักใครนานอินไม่ได้ร่วมเดินทางประจนภัยคณะของหล่อนมาแต่ต้นจึงไม่รู้สึกลึกซึ้งนักว่าเหตุใดเจ้านักเลงตแห่งหลุมช้าง จึงยอมร่วมเป็นยอมตายชนิดยอมถวายหัวให้ได้สำหรับคณะของหล่อนสาเหตุมันก็มาจากความสัมพันธ์อันลึกซึ้งในอดีตนั่นเองขยินไม่ใช่ประเภทลูกหาบที่จ้างวานขอร้องให้มาด้วยแต่มันมุ่งเข้ามาพบคณะเดินทางของหล่อนด้วยสัญชาตญาณพิเศษซึ่งอ่างอย่างเดียวกันกับหนานอินนั่นแหละคือบอกว่าแงท า, ายไปเข้าฝันบอกให้มุ่งตรงมายังหนองน้าแห้ง ทำให้มันอยู่ไม่ติดต้องบากบั่นมาโดยเว้นระยะห่างจากนันอินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครั้นเมื่อรู้ว่าคณะเจ้านายจะไปตามพรานใหญ่ผู้ออกเดินทางล่วงหน้าไปแล้วอย่างไม่รู้อนาคตก็ไม่ต้องชักชวนอะไรเลยขยินอาสาขอร่วมออกติดตามด้วยอย่างเต็มใจจริงฐานะการมาของขยินในครั้งนี้จึงอยู่ในฐานะเดียวกับนานอินคือตามมาด้วยความสมัครใจ รักใครโดยไม่ต้องชักชวนบีบบังคับหรือมีข้อเสนอแลกเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นเป็นการร่วมทางมาด้วยน้ำใจแห่งมิตรแท้ซึ่งเคยร่วมเป็นร่วมตายหล่อล้อมชีวิตเข้ามารวมกันเป็นชีวิตเดียวกันมาแล้วชนิดที่ไม่ว่าวิถีชีวิตของแต่ละคนจะแยกกันไปเช่นไรตราบจนสิ้นลมหายใจของแต่ละคนก็จะไม่มีวันลืมเลือนซะดในอาณาจักร ป่าใหญ่ไพรกว้างแล้วเจ้าองคุลีมานแห่งลงมช้างไม่เคยกลัวใครทั้งสิ่งเท่าที่หลอนสังเกตเห็นมาถ้านอกเหนือจากกระพินแล้วคนที่จะเขกกระโหลกมันได้ก็มีเพียงนานอินผู้ซึ่งรู้จักพบเห็นมันมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อของมันและบุญคำผู้มีกลลเม็ดเด็ดปลายเหนือกว่าเท่านั้นส่วนกลุ่มของฝ่ายหลอนอันประกอบด้วยเชิดาชายยันและตัวหลอนเองนั้น เจ้านี้ให้ความรักนับถือเยี่ยงเจ้านายอันเป็นบารมีที่มาจากระพินผู้ที่มันเคารพอยู่ก่อนแล้วนั่นเองถึงต่อให้พรานชดหรือพี่ชายกลางอนุชาวราริสเองก็เถอะในครั้งที่ผ่านเข้าไปในหลมช้างก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่นรกดําคราวนั้นถ้าไม่ใช่เพราะมีหนานอินที่รู้จักมักคุ้นกับมันมาตั้งแต่สมัยพ่อของมันก็ยังไม่แน่เหมือนกันว่าพรานชดในคราวนั้น จะผ่านหมู่บ้านลมช้างไปได้โดยไม่ถูกขยินหาเรื่องจับถลกหนังหัวเล่นซะเพราะความโหดร้ายทารุณและสันดานเกกกะอันถ า, านของมันหรือเปล่าแวบหนึ่งของการหวนคิดคำหนึงไปถึงความหลังครั้งเก่าดารินมีความรู้สึกที่ ท, ทราบซึ้งประทับใจยิง่งถูกแล้วสำหรับตัวหล่อนเองจนตายหล่อนก็ไม่สามารถจะลืมบุคคลเหล่านี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นขยินเกิดเสยจันบุญคําหรือต่อให้เจ้าสางป้ารวมทั้งแง่ทายนอกเหนือไปจากฝ่ายพวกหลอนกันเองอันประกอบด้วยพี่ชายใหญ่เจฐาชั ย, ยันและมาเรียทวบัตนินี้คนที่ถือว่าเป็นคนของระพินหลงเหลืออยู่ให้หลอนเห็นเพียงคนเดียวเท่านั้นคือขยินผู้นี้ นี่ลุงบางทีมันอาจาไม่สบายก็ได้นะลุงอินเพราะเมื่อคืนนี้นะ่ะขยินตกใจมากซ้ำตอนที่ไอ้ผีดิบดอดเข้ามาเล่นงานเราก่อนใช้ช้างบุกขยิงยังถูกมนสะกดนะหล่อนเอ่ยขึ้นเบาๆซุดตัวลงคุกเขา่าขยับจะเลิกกระสอบปานที่คลุมศีสษะเจ้านักเลงโตหล่มช่างขึ้นแต่พรานครูผู้เท่าความือนายหญิงไวสั่นหัวโถนายหญิง อย่าไปห่วงมันถึงขนาดนั้นเลยไอ้เวเนี่ยมันควายปายย่ายัางไงยังงั้นอ่ะมันไม่ผิวบางกระหม่อมอ่อนนักหรอกถนายหญิงอยากรู้มันยังหลับอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวนันอิมทดลองให้ดูเองว่าแล้วแกก็ฉุดข้อมือดารินให้ขยับถอยห่างออกมาเหยียวซ้ายแลขวาเหมือนจะหาอะไรสักอย่างแล้วก้าววูบเข้าไปหลังโคดหินไม่ถึงอึดใจเดียวก็พลกลับออกมา ในมือถืออะไรที่กำลังดิน้นพันเป็นเกลียวไป ย, ยุบยับไปหมดดารินมองเห็นเขากระแทบประ ง, งักไปด้วยความขยักขยงสิ่งนั้นดำจนเขียวไปนับไม่ถ้วนตะกายไหวพิวไปหมดมันคือตะขับตัวขนาดเกือบเท่าหัวแม่มือยาวร่วมคืบนั้นยินจับมาในลักษณะใช้นิ้วขยุ้งต้านคอมันไว้ทำให้มันไม่สามารถแหวงมาขบกัดได้ นอกจากดิ้นบิดตัวอยู่ในอุ้งมือของพรานเท่าราชสกุลสาวขยับจะร้องอะไรออกมาแต่นั้นอินเอามืออีกข้างหนึ่งแตะเริมฝีปากไว้พอเดินมาใกล้ร่างที่นอนอยู่ของขยินห่างแค่วาเดียวแกก็ปล่อยตะขาบตัวนั้นลงกระพื้นมันก็ทานปลา ก, ก็ไปหาขยินผู้กาลังนอนคลุมโปรงอยู่ในทันทีชนิดต้องการจะแทรกตัวหลบเมื่อนั้นเอง เจ้านักเลงโตหลมช้างก็เพนตะกายพรวดขึ้นมาทั้งตัวกระโดดโยงหลบตะขาบตัวนั้นออกไปอย่างบุบวิดพร้อมกับสะบัดเร็วเปลือกมาเป็นภาษากระเรียงแล้วหันมายิงฟันยิ้มแห้งๆกันนายหญิงเห็ น, ย, นยังนายหญิงเห็นยังนั้นอินบอกหน้าตาเฉยกระดารินขนาดตะขาบเดินน่ะมันได้ยิน แล้วเราสองคนเดินมายืนค้ำหัวพูดกันอยู่มันไม่ได้ยินมีอย่างที่ไหนไอ้เวนี่เดี๋ยวพัดไปเสรไปเช้าเลยประโยคน์หลังแกพูดกะกะเวียงขยับเท้าขยินกระโดโดโยงพนรั้สมีหนะ้าแข่งเหีเห่ยวๆแตกแข็งของหนานอินออกไปทำหน้าอยู่จีหนานอินเอามือชี้หน้ามือ เยยินเสือกน้อยเอาเปรียบคนอื่นเขาทุกคนดูใครใครเตื่นขึ้นมาช่วยกันหุงหาอาหารเนี่ยมึงยังนอนทำเป็นหลับสบายเดียเเด๋ยวหม่แดกข้าวเสซะเท่านั้นไปไปไปไปเสือกลุกมานั่งทีหลังมึงนั่นแหละหิ้วกระป๋องไปตักน้ําที่พุข้างล่างโน้นมาเตรียมไว้เจ้านายล้างหน้าขยยินบิดขี้เกียจอ้าปากกว้างหาวเสียงดังลัน่น เพราะหนานินตวาดซ้ำใหม่อีกครั้งมันก็เดินไปที่กองสัมภาระกลางอย่างดีคว้าได้ถังพลาสติกใบเคืองเดินดุมดุมลับมูโคทินและซากช้างที่ล้มอยู่เกะกะไปหมดนั้นตรงไปยังแหล่งน้ำโดยดีแต่ก็บนงึงงำางิงงำไปพลางฟังไม่ได้สับถ้าจะเทียบวัยขนาดและรูปร่างแล้วยางขายิงจับหนานีนมือเดียวทุ่งก็ยังไหว แต่ในอดีตนั้นฝ่ามือเหี่ยวๆของหนานอินที่ลงอาคมไว้ตบกะโหลกมันโครมเดียวขหญิงก็แทบชักทั้งๆ ท, ที่สูงใหญ่ปานยักษ์ปักหลันนักเลงรุ่นลูกมันจะไปสู้ตะบ巴อะไรกับนักเลงรุ่นพ่อที่เคยเตะพ่อของมันมาเองมาแล้วด้วยซ้ำดารินยืนมองดูภาพที่เกิดขึ้นนั้นด้วยอารมณ์ขันเออไนงะ ตันกลัวลุงจริงๆฉันว่าถ้ามันทุบลุงทีเดียวฉันว่าลุงกรงคอหักไหนจะแก่กว่ามันไหนจะตัวเล็กกว่ามันอีกนานอินหัวร่อฮือฮือหอบุุรี่ใบตองแห้งในมือช้าช้า <c oughs> นานอินเห็นมันตั้งแต่มันอยู่ในท้องของแม่ตอนจะคลอดมันแม่มันก็เกือบตายแต่นานอินไม่นั่งสะกดอยู่ทางด้านหัวไว้ตอนทาคลอด พ่อของมันนะ่ะชื่อไอ้ขันองร้ายกาจกว่าไอ้นี่ น, น่ะหลายเท่าเวลาหนานอินเมื่อยขบยังต้องมานั่งบีบขานวดให้มันจะเนรคุณหนานอินก็ให้มันรู้ไปตอนที่พ่อมันตายเพราะช้างเหยียบไอ้ขยินนี่อายุได้สักสิบขวบมั้งวิ่งมาเกาะขาร้องไห้แง่แง่ตอนนนานอินเดินผ่านหลุมช้างต้องอยู่ช่วยมันล้มช้างตัวนั้น แล้วเอาหัวใจช้างมาย่างไฟให้มันกินด้วยนะครูพรานเท่าพูดเนิบเนิบไม่จริงจังอะไรนะดารินลืมตาโตหลอนเพิ่งมารู้เอาเดี๋ยวนี้เองว่านานอินนั่นอดีตเคยมีความสัมพันธ์กับขยินมาเพียงไรก็พรานเท่าพูดนี้แหละที่นำพี่ชายของหล่อนอนุชา ว, วราฤทธิ์บุกบันจนเหยียบเทือกพระศิวะ เข้าถึงมรกฎนครมาแล้วแล้วก็เป็นคนคนเดียวกับที่ให้ความอุปการะเลี้ยงดูแงซายขณะที่กระเสาะกระเซิงมากรมานดาเพียงสองคนแล้วในที่สุดก็นำเด็กน้อยผู้นั้นไปฝากไว้กับพระธุดงจนในที่สุดเด็กน้อยผู้นั้นก็คือจักรราชแห่งราชวงศ์สุริยเทพตับไปกู้บอลลังกู้ประชาชนให้พ้นจากอานาจปกครองของขบฏ ท, ทรรกระดังมรกฎนคร อาณาจักรในแดนสนธิยานั้นมันดูเหมือนจะเป็นโอกาสครั้งแรกที่หลอนได้สนทนากับหนานอินตามลำพังโดยไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องร่วมอยู่ด้วยทั้งสองเดินมาหยุดยืนอยู่ริมปากทางด่านซึ่งนำเข้าสู่บริเวณปางพักด้านที่หนานอินนอนดักอยู่เมื่อคืนและหลอนได้เดินออกมาเผชิญหน้ากับไอ้ผีดิบมันไรระหว่างที่ครูพรานนอนอึด เหมือนถูกผีอำอยู่เมื่อคืนนี้ลุงเสียท่ายังไงถึงได้นอนตัวแข็งทื่ออยู่ตอนที่ฉันเดินออกมาปาหน้าเจ้ามันไรในร่างใหม่ของมันลอนถามเสียงแผ่วเบาหลานอิ น, อนนึกไม่ถึงแกสารภาพตามตรงดันนอนเอาหัวออกทางด่านด้านนอกให้มันไม่ยืนสกตอยู่บนหัวด่้ านานอินนอนเอาปลายเท้าออกมันจะทําอะไรหนานอินไม่ได้หรอกความจริงถ้ามันจะฆ่าหนานอินมันก็ฆ่าได้แล้วแต่มันคงต้องการจะสะกดหนานอินไว้เพื่อหาทางเรียกนายหญิงออกไปเวทมนต์อาคมมันร้ายมากแต่ต่อไปหนานอินจะระวังตัวให้มากกว่านี้นายหญิงไม่ต้องกลัวแล้วก็อย่าให้พระห่างตัว นายหญิงน่ะมีของดีอยู่กับตัวแล้วถ้าขุมสติให้ดีมันจะทําอะไรนายหญิงไม่ได้แน่แนนี่ลุงพี่ฉันถามอะไรลุงสักนิดเถอะนะอยากรู้มานานแล้วนายหญิงจะถามอะไรลุงสมัยก่อนเนี่ยฉันได้ยินระพินเอ่ยชื่อถึงหนานใครอยู่เสมอลุงอินเคยรู้จักไหม ครูพรานคนหนึ่งของพรานใหญ่แกกว่านันอินสีห้าปีแต่อายุของแกน่ะสั่นไปหน่อยพรานป่าก็ต้องตายเพราะ ป, ปานั่นแหละนายหญิงประโยคหลังของแกทำเอาราชสกุลสาวใจหายยังไงพี่กลุลลุงฉันรู้จักลุงนานอินแล้วก็เชื่อด้วยว่าเก่งมาก น, นานไพร่ะเก่งเท่าๆกับลุงอินไห ม, มนาไหญิงพี่นานน่ะ น, นะห้แรกแกก็บวชเป็นเนนมาก่อนต่อมาก็เป็นพระธุดงเว้นกรรมอะไรก็บอกไม่ถูกเหมือนกันจากพระดันศึกออกมาเป็นพรานมันก็เป็นกรรมแต่หนหลังพี่นานจะเก่งสักขนาดไหนก็ต้องตายพระสัพปา สำหรับนานอินถ้าตามพบนายระพินกลับมาได้ครั้งนี้<อ>ก็กะว่าจะเลือกเป็นพรานบวดเป็นพระลนะถ้าไม่ตายเะก่อนน่ะถ้างั้นก็แปลว่านานไทรจะต้องเก่งมากสินะทั้งวิชาพรานแล้วก็ไสยศาสตร์เก่งไม่เก่งนันอินก็ไม่รู้เหมือนกันละนายหญิงแต่ยังพี่นานน่ะ รูดใบไม้มาใส่เป็นตัวต่อให้ไปต่อยใครก็ได้นางไม้ที่ไหวเฮี้ยนแรงสักขนาดไหนแกก็เรียกออกมาทำเมียได้แต่นั้นอินไม่ถึงขนาดนั้นแต่บทชะตาขาดกะทิ้งขี้โรคตัวเดียวก็ทำเอาแกตายได้ยังไม่น่าเชื่อเวนกรรมน่ะมันมีจริงในโลกเนี่นยนายหญิงแกตัวมันนี่ นานินถึงเพิ่งจะค่อยๆสํานึกเลยตั้งใจไว้ว่าถ้าตามนายรพินกลับมาได้ครั้งนี้นายนินก็จะบวชให้กระเจ้ากรรมนายเวนแต่จะมีชีวิตรอดจนถึงได้ครองผ้าเหลืองหรือไม่ก็ยังไม่รู้เลยกรรมมันอาจจะตามทันซะก่อนก็ได้ฉันขอภาวนาและอนุโมทนาให้ลุงร่วงหน้า ขอให้สำเร็จผลอย่างที่ตั้งใจไว้เถอนะลุงสาธุสาธุาธละแม่คุณน้านินทุกวันนี้ก็ไม่ได้ฆ่าสับตัดชีวิตยังพรานทั่วๆไปแล้วนอกจากจะจาเป็นป้องกันตัวหรือขอมาเป็นอาหารประทังชีพยางไม่มีจะกินเท่านั้นน้านินอยู่ในปา่าไม่ได้อยู่ในเมืองถ้าไม่ประทังชีวิตด้วยของปา่า ก็ไม่รู้จะทํำยังไงใจ่เลือดจะยิงทิ้งยิงขว้างข่าเขาโดยไม่จําเป็นเลือดมาตั้งแต่กลับจากเทือกพระศิวะนนท์แล้วละ่ะลุงลุงว่าหนานไพรเป็นครูของระพินและลุงคิดว่าระพินจะเก่งเท่าหนานใครไหมละ่ะครูพรานพูดเท่าอึ้งไปครู่ดารินจ้องหน้าแกรอฟังคําตอบอยู่ นายหญิงนานอินน่ะบอกไม่ถูกนะนายระพินเป็นคนสมัยใหม่ก็จริงแต่โดยแท้จริงแกก็เรียนหนักทั้งสายยศาสตร์เพียงแต่ไม่ยอมบอกใครเท่านั้นแล้วแกก็มีครูบาอาจารย์อยู่หลายคนไม่ใช่เฉพาะนานไครเท่านั้นนายหญิงเคยเดินป่ากับนายระพินมาแล้วก็คงรู้เห็นอะไรกับตามมาบาก ว่าในปาแล้วน่ะนายรพินแกมีฝีมือในทุกด้านขนาดไหนแต่จะไปหวังให้แกอธิบายบอกความจริงอะไรแกไม่พูดหรอกของอย่างนี้นะอาจารย์เขาสั่งนักสั่งหนาไม่ให้พูดบอกใครไม่ให้ทำถ้าไม่จำเป็นจริงๆถึงนานอินก็เหมือนกันนายหญิงจะถามว่านาันอินรู้อะไรบ้าง น้านอินก็บอกไม่ได้เอาไวาเ้เกิดเหตุการณ์สัก่อนแลน้วน้นอินได้แก้เองพรานป่าจริงๆไม่เรียนเวทมนต์คาถาหรือมีดีอยู่ในตัวจากสักจจวิทยาอาคมเก่งแต่เดินป่าเก่งแต่ยิงปืนแม่นก็เดินอยู่แค่ชายชายโดงเท่านั้นแหละบุกป่าลึกกันจริงๆนะไปไม่รอดรอกนายยิง แค่ขาดน้ำขาดอาหารสองวันก็ตายแล้วโดยใจจริงของหนานอินแล้วพูดกันตรงๆไม่ยอ่อนายระพินน่าจะเก่งกว่าหนานอินหรือครูพานแต่ละคนของแกซะอีกเพราะแกนะ่ะได้จากหลายๆคนมารวมกันและนายระพินก็เรียนในทางนี้ได้คลังเพราะแกเป็นคนดีมีธรรมะในใจ มีสัจจะเป็นที่ตั้งอันเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดแต่แกก็มีบาทที่ต้องมาเป็นพรานฆ่าสัตว์บัดชีวิตถ้าว่าถ้าคิดะว่าชาติก่อนไอสัตว์ปาพวกนี้มันก่อกรรมทำข็นกับแก่มากก่อนชาตินี้แกก็ต้องตามมาล้างกรรมแกก็ไม่น่าจะบาปเพราะเป็นการตามทวงหนี้กัน ดารินหันมองหน้าอย่างทึ่งถึง่ง hmm. ลุงนี่ก็เป็นนักปรัชญาคนหนึ่งเหมือนกันนะไงหญิงว่าอะไรนะปรัชญายาอะไรแกฟังไม่รู้เรื่องเออฉันฉันหมายถึงว่าลุงอยู่ในโลกนี่มานานรู้มาก เห็นความจริงมามากแล้วก็เข้าถึงความจริงนั้นๆผิดกับชาวป่าชาวโดงทั้งหลายเออว่าแต่ว่าไอสิ่งประหลาดน่ากลัวที่พวกเรากําลังพบอยู่นี่ถ้ามันไปเกิดขึ้นทางด้านของรัพินลุงว่าเขาจะรับมือมันไว้ได้ไหมนี่ตามความคิดและความเชื่อของลุงน่ะนะไหหญิงเชื่อหนานอินเหอะ ในป่าแล้วไม่มีอะไรมาทําอันตรายนายระพินได้หรอกนอกจากไข่จับสันเท่านั้นนถ้าคนอื่นๆที่ไปก็แกหนานินไม่กล้ารับรองแกอาจจะระวังไม่ทันก็ได้หรืออีกอย่างหนึง่งถ้าแกถึงคาดคนเราอ่ะนะถ้าถึงที่ตายต่อยเก่งแค่ไหนมันก็ต้องตายวันยังค่ํา โอ้ยแค่มดกัดยังตายได้เลยนายหญิงลุงลุงเคยเดินปา่าคู่กับแงสายไหมโดยที่ลุงเองไม่รู้ว่าแงสายน่ะแท้ที่จริงก็คือเด็กเล็กๆกําพระแม่ที่ลุงเคยเอาไปฝากพระทุดงไว้แล้วพอมาพบตอนเป็นหนุ่มลุงจำเขาเองไม่ได้แต่ก็เคยไปตามแรกด้วยกันตามแถบตะนินตยีฝั่งกะนนนเรื่องนี้แงสายเคยเล่าฉันฟังนะ อไอ้หนุ่มพระเนจรรูปงามที่กลายมาเป็นพระเจ้าจักรราษมรกศนครน่ะเหรอนายหญิงพรานเท่าร้องเสียงสูงเลิกคิ้วขึ้นทั้งสองข้างนายหญิงจะถามเรื่องอะไรล่ะฉันจะถามว่าเปรียบเทียบกระพินรู้ว่าใครเก่งกว่ากันในเรื่องของป่าทุกชนิด คราวนี้แกอึ้งไปนานอาการเหมือนจะทบทวนพติปเหตุย้อนหลังนายหญิงพูดตามจริงอะนะแง้ซ้ายก็ศิษย์มีครูเป็นครูชั้นพระอริยเจ้าอารหันด้วยแล้วโดยแท้จริงมันก็ไม่ใช่พรานป่าอาชีพมันท่องเที่ยวแเนจอนไปเพื่อจะหาโอกาสกลับไปบ้านเมืองของมัน ถ้าจะเทียบเชิงพรานกันนายรพินนันอินบอกตรงๆนะมันสู้นายรพินไม่ได้หรอกถ้ามันเก่งจริงทาไมทาไมามันถึงต้องพึ่งนายรพินมาคอยติดซอยห้อยตามอยู่เพื่ออาศัยกลับบ้านกลับเมืองแต่สองคนนี่ถ้ามาจับคู่กันเมื่อเมื่อไรก็โน่นถ้าเขาไกลลาดนีจริงก็ไปกันได้ถึง นายรพินอา จ, จต้องพึ่งแงซายในบางเวลาแต่แงซายก็ต้องพึ่งนายรพินเหมือนกันอืมแปลกมากนะลูกในความคิดเห็นของลุงเรื่องนี้สมัยที่เราบุกบั่นไปตามพี่กลางกันลุงในครั้งนั้นถ้าดูผาดผ่าดก็เหมือนกับว่าแงซายจะเหนือกว่านายรพินซะอีกในเรื่องของป่าดงพงไพรเนี่ยนะั น, นอินสันหัว ไม่จริงรอกนายหญิงดูผาดผาดนายหญิงแลอคนอื่นๆอาจจะเห็นอย่างนั้นแต่ดูให้ลึกเถอวะว่าถ้าเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นจริงๆแล้วใครเป็นคนแก่ไขตกนายรพินหรือแง่สายอย่างเก่งแง่สายก็จะเป็นแค่ผู้ช่วยเท่านั้นนานินรู้ รู้ว่านายหญิงเป็นห่วงนายรพินตอนนี้มากหรือเกินแต่ไม่ต้องห่วงสิ่งที่จะต้องห่วงก็คือฝ่ายของพวกเราเท่านั้นว่าจะสามารถตามแกทันหรือตามแกพบหรือไม่รวมทั้งอันตรายที่จะมาเล่นงานพวกเราด้วยลํำทังตัวนายรพินเองน่ะถ้าพลาดพลั้งตายเมื่อไรมันไม่ใช่เพราะแกไม่มีฝีมือ แต่เป็นพระหมดสิ้นเวรสิ้นกรรมในโลกนี้เท่านั้นอย่างก่อนลุงถ้าการจะจากโลกนี้ไปหมายถึงการสิ้นเวรสิ้นกรรมของเขาฉันก็จะขอภาวนาให้กรรมเวรของเขาอย่าเพิ่งสิ้นสุดซะก่อนเลยแม้ว่าการภาวนาเช่นนั้นจะเป็นบาปสำหรับตัวฉันเองก็ตามดารินกล่าวช้าช้าอย่างหนักแน่น ดวงตาเบิกโพลงออกไปยังราวป่ายังปราดสจากจุดหมาย